พระศาสดาทรงเทศนาอริยสัจแต่โดยย่อแก่ท่านสุทัตตะจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่วันไหวในพระรัตนตรัยแล้วทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุทัตตะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการดำรงชีพอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากการได้ฟังธรรมของสัตรบุรุษเป็นของยาก และการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยากดูก่อนสุดทัตต์เพราะเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตบุรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำความสุขความสงบมาสู่โลกดูก่อนผู้สืบอริยวง์พระอานนุ์กล่าวต่อไปพระธรรมเทศนาของพระาศาสดานั้น ภายเราะจับใจและแจมแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้เมื่อพระองค์แสดงจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยเสมอว่าแจมแจ้งจริงๆพระเจ้าค่าเหมือนหายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูปดังนี้อนาถบินทิกะเศรษฐี หรืออีกในหนึ่งคือสุทัตตะคฤหบดีซึ่งบัดนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเพียงครั้งเดียวทูลอาราธนาพระตถาคตเจ้าเพื่อเสด็จสู่กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลัดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วเศรษฐีจึงมุ่งหน้ากลับสู่นครตนล่วงหน้าไปก่อน ตามรายทางเศรษฐีให้คนสร้างที่พักไว้เป็นแห่งแห่งและเป่าประกาศให้ประชาชนสร้างที่พักเพื่อพระสงฆ์สาวกตามเส้นทางที่พระาศาสดาจะเสด็จไป เมื่อถึงสาวัตถีแล้วอนาถบินทิกะก็มองหาสถานที่จะสร้างอารามถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เห็นที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นสวนของเจ้าชายในราชตระกูลผู้ทรงพระนามว่าเชตะได้ลักษณะควรเป็นอารามสำหรับพุทธนิวาสคืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีทางเข้าออกได้สะดวก ไม่อึกระทึกในเวลากลางวันและเงียบสงัดในเวลากลางคืนห่างจากหมู่บ้านเหมาะสำหรับเป็นที่สำราญพระอรียบทของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตรึกตรองธรรมอันลึกซึ้งสาหรับภิกษุสงฆ์อนาถบินทิกะได้เข้าเฝ้าเจ้าชายเชตะขอซื้อสวนสร้างอารามเบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธ แต่เมื่อเศรษฐีขอร้องวิงวอนหนักเข้าก็ทรงยอมแต่ทรงโกงราคาแพงเหลือหลายถึงกับว่าถ้าจะซื้อให้ได้ก็ต้องให้ราคาเท่ากับเอาทองไปปูลงให้เต็มสวนนั้นดังนี้เพราะพระองค์ทรงดำริว่าถ้าราคาแพงเกินไปเศรษฐีคงไม่ซื้อแต่พระองค์ทรงเข้าพไทผิดไปเศรษฐียอมตกลงซื้อ เมื่อตกลงแล้วก็วัดเนื้อที่ชําระเงินเป็นตอนตอนไปเหลือเนื้อที่อยู่อีกนิดหน่อยซึ่งเศรษฐีกําหนดไว้ว่าจะทําซุ้มประตูตรงนั้นพอดีเงินหมดเศรษฐีกําลังจะไปยืมเพื่อนที่สนิทไว้ใจกันคนหนึ่งมาเจ้าชายเชตะทรงเห็นใจและสงสารเศรษฐีจึงทรงยกเนื้อที่ตรงนั้นให้เมื่อสร้างอารามเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทําซุ้มประตู เศรษฐีดำริว่าเจ้าชายเชตมีคนเคารพนับถือมากในพระนครสาวัตถีถ้ามีชื่อเจ้าชายอยู่ด้วยจะเป็นประโยชน์มากจึงให้ยกป้ายขึ้นว่าเชตะวันแต่คนทั้งหลายมักจะต่อท้ายว่าอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีด้วยประการชนนี้ ว่าเชตวันนี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุดและใหม่ที่สุดอนาถบินธิกะให้สร้างกุฏิวิหารห้องประชุมห้องเก็บของขุดสะใหญ่ปลูกบัวขาวบัวขาบบัวหลวงบัวเขียวบานสะพรั่งชูดอกสวยปลูกมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังมีพันไม้หลายหลากเป็นทิวแถวที่ทำเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มีสะอาดสวยงามและร่มรื่นต้นไม้ส่วนมากมีผลอันจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรรวมความว่าเชตวันเป็นอารามที่น่าอยู่น่าอาศัยมีส ป, ปายะธรรมพร้อมทั้งสี่ประการคือหนึ่งเสนาสะนะส ป, ปายะ ที่อยู่อาศัยสบาย 2. ปบุคคลสปายะมีมิตรสหายดีมีผู้เอาใจใส่พอสมควร 3. อาหารสปายะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ 4. ธรรมะสปายะมีธรรมเป็นที่สบายข้อนี้หมายความว่าธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อบรุคุณเบื้องสูง เหมาะแก่จริตอัธยาศัยและมีเรื่องราวต่างๆโน้มน้อมใจไปเพื่อละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อพยายามมิให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีและเพื่อรักษากุศลที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้ก่อนอคันตุกะกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งประการที่สองคือ บุคคลส ป, ปายะนั้นท่านอนาถปินติกะนอกจากจะถวายอารามแล้วยังบำรุงพิสุสงด้วยปัจจัยอื่นๆอีกเช่นจีวรอาหารและยารักษาโรคท่านจะไปเฝ้าพระาศาสดาทั้งเช้าและเย็นเมื่อไปตอนเชา้าก็จะนำอาหารเป็นต้นว่ายาคูและพัดเมื่อไปในเวลาเย็นก็จะนำปานะชนิดต่างๆไป เป็นต้นว่าน้ำพึ่งและน้ำอ้อยท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยด้วยละอายแก่ภิกษุหนุ่มและสามเณรจะดูมือเมื่อไปเฝ้าก็ไม่เคยทูลถามปัญหาพระศาสดาเลยเพราะท่านคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเป็นกษัตริย์สุคุมรชาชและบัดนี้เป็นพระพุทธเจ้าสุคุมารถ้าจะถามปัญหาพระองค์ก็จะทรงดมริว่า เศรษฐีเป็นผู้มีอุปการะมากต่อเราแล้วจะทรงแก้ปัญหาด้วยความตั้งพระไทยจะทำให้พระองค์ทรงลำบากดูก่ออคันตุกะพระาศาสดาทรงทราบอัธยาศัยอันนี้ของเศรษฐีแล้วทรงดำริว่าเศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่สมควรจะเกรงก็เราบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลา ย, ยืดยาวนานเคยควักลูกในตา และตัดศีษะอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎและเคยสละอวัยวะอื่นๆตลอดถึงชีวิตให้เป็นทานบัลมีสิรบราบำเพ็ญมาแล้วยังเข้มงวดและบริบูรณ์ก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสังสารสาครนขึ้นสู่ที่อันกเกษมคือพระนิพพานทรงดำมริเช่นนี้แล้วก็ทรงสแสดงธรรมแก่เศรษฐีพอสมควรทุกครั้ง ที่เขาเข้าเฝ้าดูก่อนพงพันแห่งอาระยะนอกจากท่านอนาถบินติกะแล้วยังมีคน อ, น, อนอื่นอีกมากมายที่เคารพลืมใสในพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาช่วยบำรุงรักษาและการเผยแพร่คำสอนของพระตถาคตเจ้าเป็นต้นว่านางวิสาขามหาอุบาสิกา นางสุ ป, ปวาสานางสุ ป, ปิยาตลอดไปถึงพระราชาธิบดีพระเศนทิโกสนและพระนางมลิกาอคราชเทวีข้าแต่ท่านผู้ทรงพรอันประเสริฐพระกรัรมโพชะกล่าวขึ้นข้าพเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเหล่านี้บ้างเป็นบางท่านแต่ไม่ทราบรายละเอียดถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์เล่าแก่ข้าพเจ้าบ้าง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง